ใจเรามันก็เหมือนกระเป๋านะกระเป๋าใส่ของมันก็ใส่ตลอดนั่นแหละทั้งวันใส่แบบไม่เลือกใจเราไปยุ่งเรื่องอะไรมันก็คือการเก็บใส่กระเป๋านั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องดี เรื่องไม่ดีก็ตามเวลาที่มันวิ่งเข้าไปออรับอารมณ์มันก็ขึ้นชื่อว่าเป็นการเก็บเอาไว้จิตเออยใจเออยมันก็มาจากไหนอะมาจากคำว่าจิใช่จิตธาตุในความสั่งสมก็เป็นสภาวะที่สั่งสมอารมณ์ สั่งสมเอาไว้มันออกไปยุ่งออกไปรับออกไปคล้องเกี่ยวก็คือเก็บสะสมเอาไว้เพราะฉะนั้นในวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราได้เข้าสมาธิก็คือเป็นการเติมอารมณ์ฝ่ายดีเจือเจือจางลงไปใจเรามันนอกจากจะเหมือนกระเป๋าที่คอยเก็บแล้วเนี่ย มันก็เหมือนกับแก้วน้ําที่มีน้ําแล้วก็มีเกลือส่วนผสมของความดีกับความไม่ดีส่วนผสมของอารมณ์ดีกับอารมณ์ฝ่ายไม่ดีมันก็เป็นรสชาติของใจเราณตอนนั้นเลยมันเป็นส่วนผสมระหว่างอารมณ์ฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีที่เก็บเอาไว้เนี่ย ถ้าอารมณ์ฝ่ายดีที่เก็บเอาไว้มันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยไม่เร่าร้อนไม่ขุ่นมัวแต่ถ้าเราเก็บกักาอารมณ์ฝ่ายไม่ดีเอาไว้มากๆมันก็มีผลกระทบกับใจของเราเนั่นแหละให้ใจเรามันเร่าร้อนขุ่นมัวดิ้นรนกระสับกระส่ายหิวในอารมณ์ โดนความอยากในอารมณ์มันแผดเผาในเวลาแบบนี้ที่เราได้มาทำความสงบให้กับจิตใจโดยการเติมอาหารดีๆอย่างเช่นอารมณ์จากการหายใจอารมณ์จากการนึกถึงพุทโธนึกถึงพระพุทธเจ้า ถเป็นอารมณ์ฝ่ายดีที่ทำให้ใจของเราเนี่ยมันไม่เร่าร้อนไม่ขุ่นมัวไม่เศร้าหมองใจของเราเนี่ยมันก็จะได้โดนเจียจางลงไปบ้างดนเจ้อจางความเร่าร้อนออกไปความเร่าร้อนความหิวกระหายที่มันไม่อิ่มพอของใจมันก็จะได้สงบระงับได้โดน ทำให้มันชุ่มเย็นทำให้อารมณ์ไม่ดีมันเจือจางลงไปจากใจดโดยการที่เรามาอยู่กับพุทโธนี่แหละอยู่กับคำบริกรรมพุทโธ ท, ที่เราคอยระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าคุณงามความดีของพระองค์ถ้าใจเราคอยนึกคิดแบบนี้ มันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยได้หลีกไกลจากโลภโทสะโมหระราคะใจของเรามันก็จะได้ชุ่มเย็นชุ่มชื่นเบิกบานผ่องใสนอกจากมันจะเป็นการเจือจางอารมณ์ไม่ดีออกจากใจแล้วมันก็เป็นการที่เราจะได้สั่งสมนิสัย ไม่ให้ใจของเราเนี่ยมันมีนิสัยที่มัวแต่ไปเพลิดเพลินทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างเดียวเพลิดเพลินไปในอารมณ์ของกามเพียงอย่างเดียวแต่การที่เรามาอยู่แบบนี้มีการฝึกหัดแบบนี้มันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยได้มาพิจารณาถึงอารมณ์ที่มันสงบลงไปแบบนี้ มันก็จะได้เห็นโทษว่าการที่ใจเราไปเพลิดเพลินยินดีอยู่ในกามกับการที่เราได้หลีกออกจากกามมาทำความสงบประนับลงได้แบบนี้มันดียังไงพอเป็นอย่างนี้เราก็จะได้เห็นโทษของของกามนี่แหละทำให้ใจของเราเนี่ยมันดูมีสีสันกาจริง แต่พอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ที่ทำให้เร่าร้อนให้หิวหิวกระหายอารมณ์อยู่เรื่อยมันไม่อิ่มมันไม่พอมันไม่เบาสบายปลอดโปรยิ่งเสพมากก็ยิ่งหนักยิ่งเสพมากก็ยิ่งหิวยิ่งเสพมากก็ยิ่งเร่าร้อน เพราะฉะนั้นการทำสมาธิการที่เรามีสติอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องการที่เรามีสติกับคำบริกรรมพุทโธอย่างต่อเนื่องก็เป็นนิสัยที่เรากำลังฝึกฝึกให้ใจของเราได้หลีกออกจากกามแล้วก็ได้รับผลก็คือความสงบเย็นอยู่ในใจของเรา ถ้าเราทำได้ดีเราก็ขยอบไปทำในระหว่างวันให้มันมากขึ้นมีสัด ส, ส่วนของการทำระหว่างวันแทรกลงไปในระหว่างวันให้มันมากขึ้นมันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยได้รับการคุ้มครองได้รับการป้องกัน ซึ่งถ้าเราไม่หมั่นที่จะทำให้สัมมาสติเกิดขึ้นบ่อยๆถ้าเราไม่หมั่นที่จะให้ใจของเราย้อนกลับมาที่พุทโธบ่อยๆหรือย้อนกลับมาที่ลมหายใจได้บ่อยๆย้อนกลับมาจากการที่มันเผลอเพลินไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเพลินไปมันก็เพลินไปเป็นภพอยู่ในนั้นแหละ เพรินไปในอารมณ์เพลินไปในอารมณ์แบบนั้นเนี่ยมันทำให้เราค่อยๆมีความเห็นที่เป็นไปในทางกิเลสมากขึ้นยังไงถึงเรียกว่ามีความเห็นเป็นไปในทางกิเลสมากขึ้นก็คือมีความเห็นที่มันจะเห็นว่านี่เป็นเรานี่เป็นเขา อันนี้เป็นสัตว์อันนี้เป็นบุคคลอันนี้เป็นตัวตนเหล่านี้หรือไม่ก็ไปเห็นว่าอันนี้มันเป็นของสวยงามน่ารักใคร่ ย, ยินดีพอใจซึ่งถ้าเรามีสติที่เราคอยเห็นใจเราอยู่อย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องรีบดึงใจเรากลับมา พยายามดึงใจเรากลับมาจากความคิดผิดความสําคัญผิดของใจจากความหมายผิดผิดของใจจากการหมายผิดผิดที่เป็นไปในแนวทางเพื่อความยึดติดยึดมั่นถือมั่นเป็นไปในแนวทางของกิเลสพอเรามีสติเห็นอย่างนั้นเนี่ยว่าใจเรามันไหลไปแบบนั้นมีความสําคัญผิดแบบนั้นเราก็ต้องรีบเลย รีบดึงมันกลับมาเหมือนอะไรเหมือนกับตอนที่เราคว้าลงไปในในหม้อสักอันน่งที่เราไม่รู้แหละว่าข้างในมันมีอะไรแต่พอเราคว้าลงไปแล้วเนี่ยจับได้ตัวอะไรขึ้นมาสักตัวหนึ่งแล้วเราก็ยกขึ้นมาดูเอาขึ้นมาดู เราเห็นว่ามันเป็นงูเราก็รีบปล่อยฉันใดฉันนั้นแน่นอนแหละว่าการที่เราใช้ชีวิตในโลกใบนี้เนี่ยมก็ต้องข้องเกี่ยวอยู่ได้อยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสยิ่งเราต้องทำการงานต้องหาเลี้ยงชีพต้องหาปัจจัยสี่มาให้เพียงพอ มันก็ต้องคล้องแวกคล้องเกี่ยวอยู่ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่แหละคล้องเกี่ยวด้วยกามทั้งหลายอยู่แหละแต่แน่นอนการที่เราคล้องเกี่ยวอยู่ในกามเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปทำที่สุดแห่งความทุกข์ไม่ได้พระพรุทธเจ้าแสดงไว้ว่าทางสุดตรงทางส่วนส่วนสุดสองอย่างที่ ที่ไม่ควรไปเสพผู้ที่หวังที่สุดแห่งทุกข์หวังความพ้นทุกข์ไม่ควรเสพทางแรกก็คือการมสุ ข, ขลิการุโยคคือการประกอบตนให้มัวเมาความสุขในกามทั้งหลายเพราะนั้นก็จะเห็นได้ว่าความมัวเมาเนะี่ยอันนี้มันทำให้เราไปไม่ได้ เรามีความมัวเมามีความเพลินอยู่ในความสุขในกามทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นส่วนสุดทางหนึ่งที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะไปที่สุดแห่งทุกข์ได้ไม่สามารถที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ถ้าเรายังมีความเห็นมีทางเดินแบบนี้อยู่แต่เพราะการพิจารณา ให้เราเห็นถึงความเป็นจริงให้ได้บ่อยๆให้เห็นถึงความไม่มีสาระแก่นสารของมันให้ได้บ่อยๆให้เห็นถึงว่ามันสวยจริงไหมมันหล่อจริงไหมสุดท้ายมันเป็นสุภาะหรือเป็นอสุภาะกันแน่แต่แน่นอนแหละกิเลสมันก็ต้องพยายามทำให้เราเห็นว่ามันเป็นของดีของงามของจัก สิ่งปฏิกูลโโครกคือความเป็นจริงของมันมันก็พยายามเลีเ่ยงเบนให้เราเห็นเป็นสิ่งที่สะอาดเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่ยินดีพอใจซึ่งแน่นอนแหละในระหว่างวันเนี่ยความเห็นแบบนี้เนี่ยมันจะต้องคอยมาครอบงำจิตใจของเราความคิดผิดความเห็นผิดเนี่ยมันต้อง เกิดขึ้นบ่อยๆแน่นอนเกิดขึ้นตามอำนาจของกิเลสที่มันคอยปิดบังความจริงเกิดขึ้นตามอำนาจกิเลสที่มันจะคอยชุดรังเราให้อยู่ในวัฏฏะบนอันนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นสติก็จึงเป็นหัวหมูทรวงฟันเลยเป็นด่านหน้าที่เราจะนำมาใช้ต่อสู้ เพราะการที่เรามีสติเห็นเนี่ยเห็นแล้วว่าเรามีความเพลินมีความเห็นผิดเห็นว่านั่นมันเป็นของงามเห็นว่ามันเป็นของน่ารักไรยินดีพอเรามีสติเห็นใจเราอย่างนี้มันก็เหมือนกับตอนที่เราคว้าลงไปในหม้อจับของจากในหม้อขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าอ้ามันเป็นงูนี่งูพิษ เราก็จึงรีบปล่อยชั้นใดชั้นนั้นเพราะเราเห็นว่าใจของเราเนี่ยมันกําลังเพลินไปในกามมันมีความเห็นผิดมีความเห็นว่ามันเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ยินดีมีสาระเหลือเกินเราก็รีบปล่อยรีบดึงใจเรากลับมาไว้ที่ลมหายใจ รีบดึงกลับมาไว้ที่คำบริกรรมพุโธเราก็จะได้หนีรอดหนีรอบมันได้พักเนี่ยแต่ถ้าคนไม่ฝึกหัดเลยแน่นอนแหละโอกาสที่เขาจะมีสติที่เป็นสัมมาสติคอยเห็นและรู้ว่าความจริง มันคืออะไรความเห็นตามความเป็นจริงอันนั้นคืออะไรเขาก็จะไม่สามารถพอไม่สามารถเนี่ยมันก็เห็นผิดเป็นชอบได้เห็นกงจักรเป็นดอกบัวได้เห็นของที่มันไม่มีสาระเกลีนสารว่ามีเก่นสารได้เห็นของที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเห็นว่าเป็นของที่ควรยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ แต่ในระหว่างวันเนี่ยมันก็จะยากนิดหนึ่งถ้าเราไม่สามารถที่จะตุนความสงบตุนกำลังสมาธิเอาไว้มีแต่สติที่คอยเห็นเนี่ยมันก็ช่วยสู้ได้ลำบากยังสู้ได้ไม่ดีเพราะการที่เรามีสมาธิมีความตั้งมั่นในอารมณ์ มันก็จะเป็นตัวช่วยเรามีความสงบเราก็ทรงความสงบอันนี้ไว้ทรงเอาไว้ได้มันก็เหมือนกับการที่เราปักเสาหินลงไปปักลงไปลึกๆไม่ว่าจะฝนไม่ว่าจะเอารถมาโยกมันยังไงก็แล้วแต่มันก็ไปยาก เคื่อนยากแต่ถ้าเราปักเอาไว้ตื้นๆหรือวางเอาไว้บนดินเฉยๆใครมาชนเข้าหน่อยใครมาดึงเข้าหน่อยมันก็โอนเอ็นล้มไปได้ง่ายๆฉันใดฉันนั้นถ้าเรามีกำลังสมาธิมีความสงบที่ดีมีกำลังมันก็เหมือนเรา ปักอารมณ์ของเราให้มันมั่นคงลงไปเหมือนเสาที่มันปักลงไปลึกๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ในระหว่างวันมันต้องเจอภาษามันก็จะต้องมีภาษาเข้ามาเยอะแยะนั่นแหละแต่ถ้าเราทรงอารมณ์เอาไว้เราจิตของเรามันตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์สงบเอาไว้ได้ เราก็จะไม่โดนพัะเหล่านั้นเนี่ยฉุดกระชากลากถูเจ็บใจของเราออกไปได้ง่ายๆ่าเพราะงั้นการที่เราทรงสมาธิเอาไว้มีความสงบเอาไว้ก็เป็นเรื่องจําเป็นแล้วการที่เราทรงความสงบเอาไว้ได้ได้ดีมันก็จะยิ่งเห็นโทษของกาลเห็นโทษของ การเผลอเพลินเห็นโทษของความไม่รู้ได้ดีขึ้นก็เหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นั่นแหละปัญญาปริภาวิตาสมาธิมหภาภลาโธติมานิสังซ่าปัญญาที่สมาธิอบรมดีแล้วเนี่ยมีผลมากมีผลใหญ่ ซึ่งก็ลองเปรียบเทียบดูก็ได้เวลาที่เราไม่ได้ทรงความสงบเอาไว้เวลาที่เรามีแต่สติคอยระลึกรู้อยู่แล้วเวลามีผัสสะมากระทบไม่ว่าจะทางตาทางหูใจเรามันก็แล่นไปตามสิ่งเหล่านั้นตลอดตลอดแล่นไปตามสิ่งเหล่านั้นได้ง่าย ส่งไปตามสิ่งเหล่านั้นง่ายๆเราก็เหนื่อยไงเหนื่อยที่จะต้องพยายามดึงกลับอยู่เรื่อยใจเราก็ไปรับอารมณ์เหล่านั้นก็กลับมาให้มันหนักจิตหนักใจเราก็รู้สึกว่ามันสู้ยากนะแต่ถ้าเรามีกําลังสงบกําลังของความสงบที่มันดี เราก็ไม่ถูกชุดกระชากลากถูออกไปง่ายๆมันก็สู้ได้แบบไม่เหนื่อยมากและเวลาที่เราไม่โดนฉุดกระชากลากถูออกไปได้ง่ายๆเนี่ยเราก็จะยิ่งละเอียดละออและเราก็จะเห็นโทษของมันชัดเจน มากขึ้นอีกเห็นถึงความไม่มีสาระเก่นสารได้ง่ายๆเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระเก่นสารโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วแต่เพราะความไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงมันคอยครอบงำจิตใจของเราอยู่มันก็ทำให้ให้เราก็ต้องคอยอย่างนี้แหละนะสู้ไปเรื่อยๆ หลงออกไปมีสติแล้วก็ดึงกลับมาเพราะฉะนั้นในระหว่างวันเนี่ยการที่เราคอยสังเกตใจมีสติเฉพาะหน้าเห็นกายอันหนึ่งเห็นใจอันหนึ่งก็เป็นเรื่องจำเป็นมากที่เราจะต้องพยายามฝึกให้เป็นนิสัยเวลาทำงาน ก็เห็นว่าร่างกายมันทำงานนะแต่ไม่ใช่เห็นว่าเราเข้าไปทำงานซึ่งถ้าเราเห็นกายมันทำงานใจเราอยู่ข้างในอ้ออันนี้ยิ่งดีมากมันก็จะขึ้นชื่อว่าเรารักษาจิตใจของเราได้อย่างดี และการที่เรามีสติเห็นกายเห็นใจอยู่อย่างนี้ได้มันก็ยิ่งทำให้ให้เราเห็นโทษเห็นโทษของการไม่รู้ตามความเป็นจริงได้ดีขึ้นไปอีกเห็นโทษของความหลง ม, มากขึ้นอีกเราสุดท้ายมันก็ ไปจากความหลงนั่นแหละเพราะหลงก็จึงโดนฉุดกระชากออกไปเพราะหลงก็จึงไปยึดติดยินดีในความไม่รู้เพราะหลงก็จึงทําให้เพลินลงไปในกามทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นหมั่นที่จะสำรวจจิตใจของเรา ใจของเราเนี่ยมันไปนึกไปคิดเรื่องอะไรเราก็ต้องหมั่นสังเกตให้ดีว่าเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นไปเพื่อก่อภพชาติเป็นไปเพื่อพยาบาทเปียนเบียนหรือเป็นไปเพื่อความเพลินไปในกาลเหล่านี้ถ้าเราเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ให้รีบคุยกับมัน ว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นอย่าไปให้ความสำคัญอย่างนั้นเพราะสุดท้ายคนเราเวลาตายแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากำลังคิดว่าอยากจะทําสิ่งที่คิดว่ามันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ยกตัวอย่างเหมือนกับว่าเราจะทาธุรกิจนั้นธุรกิจนี้ เรือเรากำลังศึกษาเรียนรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะต้องทำให้พระนี่ขึ้นไปอะไรเหล่านี้เป็นต้นก็เหมือนในในิทานธรรมบทนั่นแหละก็มีพระรูปหนึ่งใช่ไหมท่านก็ไตรับมรดกอ่ะพี่ชายน้องชายหรืออะไรเนี่ยก็มาบอกว่าเออเขาทิ้งมรดกให้เท่านี้เท่านี้นะ พอตัวรู้ว่ามีสตุ้งสตังก็เริ่มคิดแหละเอถ้าเราออกไปเนี่ยเราจ ะ, ะไปทำไร่ไถานาเออเราจะต้องสร้างครอบครัวเพลินไปเลยแต่ดีนี่ตรงที่มีกัลยาณมิตรที่ดีก็คือพระพุทธเจ้านี่แหละเพราะไม่เท่าทันความคิดไม่เท่าทันจิตใจ ลอยให้หลงไปในความเพลินในการที่จะไปไปในทางการอยากจะคิดสึกอยากจะไปก่อร่างสร้างตัวขอพก่อชาติทีนี้ก็อยากจะสึกนั่นแหละพระพุทเจ้าก็เลยเรียกมาคุยเอาเธอมีเงินเท่าไหร่ อางั้นโอเคงั้นมาแบ่งไว้นะเท่านี้เอาไว้สําหรับเป็นค่าบ้านอันนี้สําหรับเป็นที่นาเท่านี้สําหรับเป็นค่าวัวควายเหล่านี้แบ่งไปในรายนั้นรายนี้ใช้จ่ายอนยะ่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายตังมีไม่พอไม่พอก็อจึงได้สติว่าเออไม่ใช่แล้วละ่ะ ที่เราว่ามันจะดีมันจะงามเราจะออกไปทำอันนั้นทำอันนี้สุดท้ายโอ้ยมันผิดแหละถ้าออกไปจริงๆนี่ตังที่คิดว่ามีมากมีเหลือเฟือก็มีไม่พอไม่พอที่จะไปทำอย่างที่ตัวเองวาดฝันเอาไว้นี่กิเลสเนี่ยมันมันมันสุดแบบนี้แหละ มันสร้างความไม่รู้แล้วมันก็หลอกให้คนหลงอยู่ในความไม่รู้เลยต้องมาเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัฏฏะอันนี้ต่อไปแต่เราโชคดีแล้วที่เรามีกัลยะาณมิตรมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่คอยมาบอกสอนแนวทาง ที่มาแสดงว่าอะไรคือความทุกข์อะไรคือเหตุของความทุกข์อะไรคือความดับทุกข์และทางดําดเนินนี้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคอยหมั่นสอนใจตัวเองบ่อยๆการที่เราดึงใจมาไว้กับพุโทโธให้ได้บ่อยๆเป็นเรื่องดี การที่เราดึงใจกลับมาไว้ที่ลมหายใจให้ได้บ่อยๆเป็นเรื่องดีแต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นดึงกลับมาแล้วก็ต้องคอยคุยกับมันด้วยคอยสอนมันด้วยถ้าเราดึงกลับมาไว้ที่ลมหายใจอย่างเดียวอันนี้ยังไม่ขึ้นชื่อว่าเราจะทำที่สุดแห่งทุกได้แต่ถ้าเราดึงกลับมาแล้ว แล้วเราก็คอยที่จะสอนมันด้วยว่าสิ่งที่เรากำลังเผอเพลินไปเมื่อสักครู่เนี่ยเพลินไปเรื่องอะไรแล้วสิ่งที่สภาพตามความเป็นจริงของมันมันเป็นยังไงเราเคยได้ยินได้ฟังอยู่แล้วเนี่ยว่าสภาพความเป็นจริงของสิ่งต่างๆมันเป็นยังไง พระพุทเจ้าก็แสดงเอาไว้อย่างละเอียดละอออยู่แล้วก็นำสิ่งต่างๆเหล่านั้นความรู้เหล่านั้นคอยคุยกับมันให้ได้บ่อยๆคอยบอกสอนมันบ่อยๆ